ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค พ, พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังฆะอัตกถาพระสารีบุตรเถระชาวสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมคแปลข้อที่ห้ากุลละสังคะวินิชยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการจมครองสกูล คำว่ากุละสังหะได้แก่การสงเคราะห์จระกูลทั้งหลายด้วยดอกไม้และผละไม้เป็นต้นชื่อว่ากุละสังคหะในเรื่องนี้มีวินิชัยดังต่อไปนี้การปลูกเองหรือการให้ปลูกการรดเองหรือการให้คนอื่นรดซึ่งกอดอกไม้เป็นต้นการเก็บเองหรือการให้คนอื่นเก็บการร้อยเองหรือการให้คนอื่นร้อยซึ่งดอกไม้ เพื่อสงเคราะห์ตระกูลย่อมไม่ควรในบรรดาการปลูกเองเป็นต้นนี้ผู้ศึกษาพึงทราบลักษณะห้าอย่างเหล่านี้คือหนึ่งอากัปปิยะโวหารสองกั 2. ปปิยะโวหารสามปริยายสี่โอภาสห้านิมิตกรรมบรรดาลักษณะห้าเหล่านั้นที่ชื่อว่าอากัปปิยะโวหารได้แก่ การตัดเองการใช้ให้ตัดจำพวกของสดเขียวการขุดเองการใช้ให้ขุดการปลูกเองการใช้ให้ปลูกกอดอกไม้การก่อเองการใช้ให้ก่อคันกั้นการรดเองการใช้ให้รดน้ำการทำรางให้ตรงไปการรดน้ำที่เป็นกับปิยะการรดด้วยน้ำล้างมือล้างเท้าล้างหน้าและน้ำอาบ ที่ชื่อว่ากัปพิยะวโหหารได้แก่คําว่าจงรู้ต้นไม้นี้จงรู้หลุมนี้จงรู้ก่อไม้ดอกนี้จงรู้น้ำในที่นี้และการทำรางน้ำที่แห้งให้ตรงอันนี้เป็นกัปพิยะวโหหารที่ชื่อว่าปริยายได้แก่คํามีอธิว่าบัณฑิตควรให้ปลูกต้นไม้ทั้งหลายมีก่อดอกไม้เป็นต้นจะเป็นประโยชน์ คือจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการไม่นานนักที่ชื่อว่าโอภาษได้แก่การยืนถือจอบและเสียมเป็นต้นและจับกอไม้ดอกทั้งหลายอยู่จึงอยู่พวกสามเณรเป็นต้นเห็นพระเถระยืนอยู่อย่างนั้นรู้ว่าพระเถระประสงค์จะใช้ให้ทําแล้วจึงไปทําให้ ที่ชื่อว่านิมิตกรรมได้แก่การนําจอบเสียมมีดขวานและภานชนะน้ํามาวางไว้ในที่ใกล้ๆลักษณะทั้งห้าประการนี้ย่อมไม่ควรปลูกเองและการใช้ให้ปลูกเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ตระกูลเพื่อประโยชน์แก่การบริโภคผลกิจสองอย่างคืออากัศพิยะโอหารและอกัศพิยะโอหารเท่านั้นไม่ควรกิจสามอย่างนอกนี้ควรอยู่อันนี้หมายถึง การที่จะให้ปลูกโดยบริโภคผลแม้กับย้าววหานก็ไม่ควรนะอกับเย้าโวหานและกับย้าววหานก็ไม่ควรแต่ว่าการที่จะให้ทำปริยายโอภาษนิมิตกรรมมนี้ควรแต่ว่าในมหาปัญจรีนี้กล่าวว่าแม้กับเย้าววหานก็ควรก็คือจงรู้หลุมนี้จงรู้ต้นไม้นี้อย่างนี้ก็ในมหาปัญจรีบบอกว่าควรนะ และการปลูกใดเพื่อประโยชน์แก่การบริโภคของตนก็ควรก็คือเอาไว้บริโภคเองไม่ได้เอาไว้เพื่อส่งเคราะห์ตระกูลการปลูกนั้นก็ควรเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นแก่สงหรือแก่เจดีด้วยถ้าของตนบริโภคได้ก็ควรจะให้ทรงให้บุคคลอื่นได้ด้วยแต่การใช้ให้ปลูกเพื่อต้องการอารามเพื่อต้องการป่าและเพื่อต้องการร่มเงาเพียงอากาศยักโอหานอย่างเดียวไม่สมควรที่เหลือควรอยู่ เพื่อที่จะต้องการสวนป่าเพื่อจะได้มีร่มเงาจะใช้กับปิยะโวหารจะใช้ปริยายโอภาสนิมิตรกรรมได้ทั้งนั้นและไม่ใช่แต่กิจที่เหลืออย่างเดียวก็หาไม่ได้แม้การทํารางน้ําให้ตรงก็ดีการรดน้ําที่เป็นกัปปิยะก็ดีการทําห้องอาบน้ําแล้วอาบเองก็ดีการเทน้ําล้างมือล้างเท้าและล้างหน้าลงในที่ปลูกต้นไม้นั้นก็ดี อย่างใดอย่างหนึ่งสมควรอยู่ก็คือสามารถรที่จะทําได้อันนี้หมายถึงทําร่มเงาปลูกเอาไว้เพื่อที่จะบริโภคของตนรวมทั้งถวายบุคคลอื่นก่ทรงด้วย น, นี้ทําได้แต่ถ้าเกิดปลูกไว้เพื่อส่งคราสตระกูลนี่ทําไม่ได้ทั้งหมดเลยแต่ในมหาปัญ จ, จรีและในกุรุนดีท่านกล่าวว่าแม้จะปลูกเองในกัปิยะปัทพีก็ควรก็คือดินที่ฝนไม่ได้ตกรดเกิน สามเดือนหรือว่าไม่ใช่เป็นดินแท้เนี่ยนะเป็นดินปนทรายอันนี้ก็สามารถปลูกเองได้ถึงแม้จะบริโภคผลละไม้ที่ปลูกเองหรือใช้ให้ปลูกเพื่อประโยชน์แก่อารามเป็นต้นก็ควรก็แลพึงทราบวิิจัยอาบัตโดยพิสดารตั้งแต่ต้นนำต่อไปนี้เป็นอาบัตรปราจิตติกับทุกกฏแก่ภิกษุผู้ปลูกกอไม้ดอกไม้เอง คือภิกษุผู้ปลูกกอไม้ดอกเองเนี่ยนะเป็นปาจิตติด้วยทุกกดด้วยในอากัปยปัตถีนะก็คือไปขุดอากัปยปัตถีเป็นปาจิตติไปปลูกเองเป็นทุกกดนี่หมายถึงปลูกเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ตระกูลเพื่อปทุศร้ายตะกูลภิกษุใช้ให้ปลูกด้วยอากัปยยะโวหารก็เหมือนกันคือไปใช้ให้ปลูกในอากัปยปัธถี ก็เป็นประจิตรีแล้วก็ใช้ให้เขาปลูกเพื่อประทุสร้ายตรกูลก็เป็นอวบทุกกฎในการปลูกเองก็ดีใช้ให้ปลูกก็ดีได้กับปิยะปัตตพีเป็นทุกกฎอย่างเดียวไม่มีอบัติประจิตีเพราะขุณดินในปตัตตพีแม้ทั้งสองในเพราะใช้ให้ปลูกกอไม้ดอกแม้มากด้วยการสั่งครั้งเดียวเป็นประจิตีกับทุกกฎหรือเป็นทุกกฎล้วนแก่พิกษุครั้งเดียวเท่านั้นก็คือถ้า ให้ปลูกในอากัปปิยะปัตตพีก็ปฏิตีกับทุกกฎถ้าปลูกในกัปปิยะปัตตพีก็ทุกกฎอย่างเดียวคือตั่งครั้งเดียวก็อบัตตัวเดียวไม่เป็นอบัตเพราะใช้ให้ปลูกด้วยกัปปิยะโวหารแต่ถ้ามีกัปปิยะโวหารปลูกในปัตตพีที่เป็นกัปปิยะหรืออากัปปิยะก็ตามถ้าใช้กัปปิยะโวหารก็ไม่มีอบัต ไม่เป็นอัปบาทในเพราะใช้ให้ปลูกด้วยกับิยะวัวหาในพื้นที่ที่เป็นกับิยะหรือพื้นที่ที่เป็นอักกับิยะเพื่อประโยชน์แก่การบริโภคแม้เพื่อประโยชน์แก่อารามเป็นต้นในอักกับิยะปัตตพีก็คงเป็นปาจิตติแก่ผู้ปลูกเองหรือใช้ให้ปลูกด้วยด้วยคําที่เป็นอักกับิยะถ้าเป็นอักกับิยะปัตตพีด้วยแล้วก็ ไปปลูกเองหรือว่าใช้ให้ปลูกโดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นอากาศยิยัวโมหางก็อาบัติปาจิตีแต่ในนี้ท่านไม่ได้จำแนกไว้ให้ละเอียดในมหาอักถาจจำแนกไว้แต่ในมหาปัญจรีก็คือที่แสดงตรงนี้มีเฉพาะในมหาปัญจรีในมหาอักถาไม่มีก็ในการรดเองและใช้ให้รดมีวินิจฉัยดังต่อเป น, นี้ เป็นปัจจิตีทุกๆแห่งด้วยน้ำที่เป็นอากาศยิยะน้ำที่ไม่เหมาะสมนะก็คือน้ำที่มีตัวสัตว์เอาไปรดหญ้ารดดินนี้ก็ต้องอบดับปัจจิตีเพื่อต้องการประทุษร้ายตระกูลและการบริโภคเป็นทุกข์กฎบ้างก็คือถ้าไปรดเพื่อประทุษร้ายตระกูลเป็นอบดับทุกข์ แต่เพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองนั้นเท่านั้นก็เป็นทุกขกดด้วยน้ำที่เป็นกัปปิยะก็แม้ใช้น้ำที่ไม่มีตัวสัตว์แต่ว่าเป็นรถเพื่อประทุสร้ายตระกูลก็บัตทุกข์กก็ในการประทุสร้ายตระกูลและการบริโภคนี้เพื่อต้องการบริโภคไม่เป็นอาบัตในการใช้ให้รถน้ำด้วยกัปปิยะโหหาร ถ้าใช้รสด้วยกับยั้วโหหารแล้วก็ไม่ใช่ไปประทุดสรายตระกูลด้วยแต่เอาไว้บริโภคเท่านั้นก็ไม่มีอาบัติแต่ในฐานแห่งอาบัติผู้ศึกษาควรทราบความเป็นอาบัติมากเพราะประโยคมากด้วยอํานาจสายน้ําขาดก็คือถ้าลดแล้วลดเล่าสายน้ําขาดหลายตอนหลายครั้งก็อาบัตหลายตัวแต่ถ้าลดน้ำครั้งเดียวสายน้ําไม่ขาดเลยก็อาบัตตัวเดียว ในการเก็บเองเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ตระกูลเป็นทุกกฎกับปาจิตตีถ้าเก็บนี่ปัจิตตีนะแต่เพื่อสงเคราะห์ตระกูลอบับดตทุกกฎอีกตัวหนึ่งอันนี้หมายถึงตามจำนวนดอกไม้ถ้าเก็บดอกไม้หลายดอกก็ปัจิตตีหลายตัวทุกกฎหลายตัวด้วยในการเก็บดอกไม้เพื่อประโยชน์อื่นเช่นการบูชาพระรัตนตรยัยเป็นปัจิตตีอย่างเดียว ขาดเก็บเอามาบูชาพระรัตนตรัยก็อาบัติด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุแต่ว่าถ้าใช้กับปิยโวหารก็ไม่เป็นอบัติแต่ภิกษุผู้เก็บดอกไม้มากด้วยประโยคอันเดียวพระวินัยทรนึงปรับด้วยอำนาจแห่งประโยคก็คือดอกไม้เป็นช่อมากมายหลายดอกแต่ว่าเก็บด้วยประโยคเดียวเท่านั้นก็อาบัติตัวเดียวในการใช้ให้เก็บเพื่อประโยชน์แกการประทุสร้ายตระกูล คนที่พิกษุใช้ครั้งเดียวเก็บแม้มากครั้งก็เป็นปัจจิตตีกับทุกกฎแต่พิกษุนั้นครั้งเดียวก็คือใช้ครั้งเดียวแต่เขาไปเก็บหลายครั้งก็แล้วแต่ก็ไปอบัติตัวเดียวนะปัจจิตตีเพราะให้ไปเก็บแต่ว่าเพื่อสงเคราะห์หรือว่าเพื่อประทุษร้ายตระกูลเนย่ยบัตทุกกฎในการเก็บดอกไม้เพื่อประโยชน์อื่นเช่นการบูชาพระรัตนตรัยเป็นปัจจิตตีอย่างเดียว ก็แลพึงทราบวิธีใัยในการร้อยเองและการให้ร้อยดอกไม้ดังต่อไปนี้พึงทราบปุบผวิกัดหกชนิดปุบผะวิกัดก็คือดอกไม้ที่เอาไปทํานะเอาไปร้อยเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นของสวยๆเ ง, งียบๆมีหกชนิดก็คือหนึ่งคันทิมังร้อยตรึงสองโคปิมังร้อยควบหรือร้อยคุมสามเวทิมัง ร้อยแทมหรือว่าร้อยเสียบสี่เวทิมังร้อยพันหรือว่าร้อยผูกห้าปูริมังร้อยเป็นวงเหมือนกับพงมอะไรหกวายิมังร้อยกลองบรรดาปุกผาวิกัดหกชนิดนั้นที่ชื่อว่าคันธิมังพึงเห็นในดอกอุบลและดอกปทุมเป็นต้นที่มีก้านหรือดอกไม้ทั้งหลายอื่นที่มีขั้วยาว ยิ่งอยู่ดอกไม้ที่ร้อยตรึงก้านกับก้านหรือขั้วกับขั้วนั่นเองชื่อว่าคันธีมะแม้คันธีมะนั้นพิกตุหรือพิษุณีจะทาเองก็ดีใช้ให้ทำด้วยคำอันเป็นอากัปปิยะก็ดีไม่สมควรทำเองก็ไม่ได้ให้ทำก็ไม่ได้ถ้าเป็นอากัปปิยะโวหารแต่จะใช้ให้ทำด้วยกัปปิยะวาจาเป็นต้นว่า จงรู้อย่างนี้เมื่อทำได้อย่างนี้แล้วจะพึงงามจงทำดอกไม้ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้กระจัดกระจายดังนี้ควรอยู่เขาก็จะเอามาผูกกแต่ว่าเราก็แนะนำสักหน่อยนึงว่าถ้าเขาผูกอย่างนี้อย่างนี้จะนามนะการเอาได้หรือปอเป็นต้นร้อยคุมดอกไม้มีดอกมะลิเป็นต้นด้วยสามา ร, ระเบียบดอกไม้ที่มีขั้วข้างเดียว และมีขั้วสองข้างด้วยอํานาจมาลัยต่อก้านและมาลัยเรียงก้านชื่อว่าโคบผีมังคนทั้งหลายพบปอหรือว่าเชือกสองเส้นและร้อยดอกไม้ไม่มีขั้วเป็นต้นในปอหรือเชือกนั้นแล้วขึงตามลําดับแม้ดอกไม้นี้ก็ชื่อว่าโคบผีมะเหมือนกันโคบิมะทั้งหมดไม่ควรโดยในก่อนเหมือนกันก็คืออากัศพยะโอหารไม่ควร ถ้าใช้กับยญาโวหารก็ใช้ได้เหมือนกันที่ชื่อว่าเวทิมะคือดอกไม้ที่คนทั้งหลายเสียบดอกไม้ที่มีขั้วมีดอกมะลิเป็นต้นที่ขั้วหรือเสียบดอกไม้ที่ไม่มีขั้วมีดอกพิกุลเป็นต้นภายในช่องดอกด้วยเซี่ยนตานเป็นต้นแล้วร้อยไว้มีชื่อว่าเวทิมะแม้ดอกไม้นั้นก็ไม่สมควรโดยในก่อนเหมือนกัน ก็คนบางคนเอาหนามหรือว่าเสี้ยนตาลเป็นต้นปักที่ต้นกล้วยแล้วเสียบดอกไม้ไว้ที่หนามเป็นต้นนั้นบางพวกเสียบดอกไม้ไว้ที่กิ่งมีหนามบางพวกเสียบดอกไม้ไว้ที่หนามซึ่งปักไว้ที่ฉับและฝาเพื่อกระทําฉัดดอกไม้และเรือนยอดดอกไม้บางพวกก็เสียบดอกไม้ไว้ที่หนามซึ่งผูกไว้ที่เพดานธรรมะ บางพวกเสียบดอกไม้มีดอกกันิกาเป็นต้นด้วยซี่ไม้แล้วกระทำให้เหมือนฉับซ้อนฉับดอกไม้ที่ทำอย่างนั้นโอราณยิ่งนักแหลก็คือสวยงามมากแต่ว่าก็ไม่ควรนะถ้าไม่ได้เป็นกัปยาวุหารก็ไม่เหมาะสมก็การที่จะผูกหนามไว้ที่เพดานธรรมาเพื่อเสียบดอกไม้ก็ดีจะเสียบดอกไม้ดอกเดียวด้วยหนามเป็นต้นก็ดีจะปักดอกไม้ไว้ที่ดอกไม้ด้วยกันก็ดีไม่ควร ก็การแซมดอกไม้ทั้งหลายไว้ในช่องแห่งเพาดานตาข่ายชุกทีฟันนาหรือว่ากระจังที่วางดอกไม้แล้วช่อใบตานเป็นต้นหรือว่าในระหว่างช่อดอกอโศกไม่มีโทษถ้าไม่ได้เสียบ ก, กับน้ำแหลมหรือว่าสี่ไม้อะไรนะเอาไปวางซ้อนเอาไว้แทรกเอาไว้ในดอกไม้เหล่านั้นก็ไม่เป็นไรเพราะดอกไม้อย่างนั้นไม่จัดเป็นเวทีมะ แม้ในเชือกธรรมดาเชือกสำหรับเจ็บดอกไม้ก็มีในอย่างนี้เหมือนกันดอกไม้ที่มีชื่อว่าเวธิมะเพึ่งเห็นในพวงดอกไม้และตาดอกไม้อธิบายว่าคนบางพวกเมื่อจะทำพวงดอกไม้แขวนยอดธรร ม, มาเป็นต้นจึงร้อยดอกไม้ทั้งหลายเพื่อแสดงอาการเป็นพุ่มอยู่ภายใน บางพวกมัดดอกอุบลเป็นต้นที่ก้านอย่างละแดดอกบ้างอย่างละสิบดอกบ้างด้วยได้หรือด้วยปอกระทำให้เป็นกำดอกอุบลหรือเป็นกำดอกบัวหลวงการทำดอกไม้อย่างนั้นไม่ควรทําสิ้นโดยในก่อนเหมือนกันแม้การที่จะเอาผ้ากาสาวะคือผ้าจีวรเนี่ยพันดอกไม้คือดอกอุบลเป็นต้น ที่พวกสำเนินถอนขึ้นวางไว้บนบกให้เป็นหอก็ไม่สมควรแต่จะเอาปอหรือว่าก้านดอกอุบลเป็นต้นนั้นนั่นแหละมัดเข้าด้วยกันหรือกระทําให้เป็นหอสะพายควรอยู่จา่าผ้ากาลสาวะไปพันไปผูกนี้ไม่ควรนะที่ชื่อว่าหอสะพายนั้นคือพวกพิกษุรวบเอาชายทั้งสองข้างของผ้ากาลสาวะที่พาดไว้บนคอ เข้ามาแล้วทำให้เป็นถุงคือเป็นโป่งผ้าใส่ดอกไม้ลงในถุงนั้นดุดถุงกระสอบนี้ท่านเรียกว่าห่อสะพายการกระทำห่อสะพายนั้นควรอยู่คนทั้งหลายเอาก้านแทงใบบัวแล้วเอาใบห่อดอกอุบลเป็นต้นถือไปแมะในวิสัยที่เอาใบบัวอุบลเป็นต้นห่อถือไปนั้น จะผูกใบปทุมเบื้องบนดอกไม้ทั้งหลายเท่านั้นควรอยู่แต่การผูกก้านปทุมไว้ภายใต้ดอกไม่ควรอันนี้ก็ละเอียดมากเลยนะก็คือถ้าจะผูกตรงข้างบนดอกบัวนั้นผูกได้แต่ถ้าจะไปผูกที่ก้านไม่ให้ผูกเพราะผูกแล้วจะเหมือนกับการที่จะไปจัดดอกไม้อะไรต่างๆที่ชื่อว่าปูริมะฝึงเห็นในพวงมาลัยและดอกไม้แผ่น อธิบายว่าผู้ใดเอาพวงมาลัยวางรอบเจดีย์ก็ดีต้นโพก็ดีชุกชีก็ดีนำวกกลับมาให้เลยที่เดิมคือในฐานะที่ตั้งเดิมไปแม้ด้วยการวงรอบเพียงเท่านั้นดอกไม้ของผู้นั้นชื่อว่าปูริมะก็จะกล่าวอะไรสำหรับผู้ที่วงรอบมากครั้งเมื่อสอดเข้าไปทางระหว่างฟันหน้าคือบันในแก้ว ปล่อยให้ย้อยลงมาแล้วตลบฟันรอบฟันหน้าบันไดแก้วนั้นอีกแม้ดอกไม้นี้ก็ชื่อว่าปูริมะแต่จะตอดวารดอกไม้เข้าไปในฟันหน้าคือบรนไดแก้วนั้นสมควรอยู่คนทั้งหลายย่อมทําแผงดอกไม้คือดอกไม้แผ่นด้วยพวงมาลัยแม้ในวิสัยดอกไม้แผงนนั้นจะขึงพวงมาลัยไปเพียงครั้งเดียวควรอยู่ เมื่อนำย้อนกลับมาอีกจัดเป็นการร้อยวงทีเดียวคือทำให้เป็นวงไม่ได้ดอกไม้ชนิดนั้นไม่ควรทุกอย่างโดยในก่อนเหมือนกันก็การได้พวงดอกไม้ที่ทำด้วยพวงมาลัยแม้เป็นอันมากแล้วผูกไว้เบื้องบนแห่งอาสนะเป็นต้นควรอยู่ก็การเอาพวงมาลัยที่ยาวมากขึงไปหรือทำวงรอบไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อถึงเงื่อนเดิมอีก ให้แก่พิสูจอื่นเสียสมควรอยู่แน่พิสูจนั้นก็ควรทําอย่างนั้นเหมือนกันก็คือจะวงให้รอบเนี่ยพอจะถึงรอบวงก็ให้พิสษุอื่นไปเสียนี้ก็พิสูจองค์แรกนั่นก็ไม่เป็นอบัติที่ชื่อว่าวายญมะเพิงเห็นตาข่ายในดอกไม้ดอกไม้แผ่นและดอกไม้รูปภาพ เมื่อพิสูจทําตะข่ายดอกไม้แม้บนเจดีเป็นทุกกดทุกทุ ก, ทกช่องตาข่ายแต่ละตาโอ้เป็นอบัติด้วยนะขนาดจะเอาไปบูชาพระเจดีนะจะมาทําเป็นตะข่ายดอกไม้นี่ทําเองนี้ไม่ควรถ้าใช้คนอื่นก็ต้องเป็นกับปีย่างหารด้วยในฝาผนังจัดต้นโพและเสาเป็นต้นก็ในอย่างนี้เหมือนกัน ก็การที่พิสูจจะร้อยกลองแผงดอกไม้แม้ที่คนอื่นทําให้เต็มแล้วก็ไม่ได้คนทั้งหลายย่อมกระทํารูปช้างและรูปม้าเป็นต้นด้วยดอกไม้ที่ร้อยกลุมทั้งหลายนั่นแหลแม้รูปช้างและรูปม้าเป็นต้นเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในฐานแห่งวายิมะดอกไม้นั้นย่อมไม่ขวนทั้งสิน้นโดยในดังก่อนเหมือนกันแต่เมื่อจะวางดอกไม้ไว้ตามปกติไม่ได้ร้อย ในตอนที่ที่คนเหล่าอื่นทำไว้แล้วประทําแม้ให้เป็นรูปช้างและรูปมาเป็นต้นควรอยู่ก็คือไม่ต้องร้อยเอาไปวางไว้เฉยแต่ในมหาปัญ จ, จรียท่านกล่าวปุกภวิกัดไว้แปดชนิดรวมกับพวงผู้ห้อยและพวงดังพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวในมหาปัจจรียัยงเพิ่มอีกสองอย่างบรรดาพวงผู้ห้อยและพวงดังพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั้น พวงห้อยที่เป็นผู้ในระหว่างพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวท่านเรียกว่ากะลำพระกะก็คือพวงผู้ห้อยการวงรอบพวงมาลัยกลับไปกลับมาอันเขาทำโดยอาการดังพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวท่านเรียกว่าอัฏฐจันดกะพวงพระจันทร์เสี้ยวแม้ดอกไม้ทั้งสองชนิดนั้นก็จัดเข้าในปูริมะคือร้อยเป็นวงเหมือนกันส่วนในกุรนดี ท่านกล่าวว่าแม้การจัดพวงมาลัยสองสามพวงเข้าด้วยกันแล้วทําให้เป็นพวงดอกไม้ก็ชื่อว่าวายยิมะเหมือนกันแม้การทําพวงดอกไม้นั้นในมหาอัจฉกถานี้ก็จัดว่าเป็นปูริมะเหมือนกันและไม่ใช่แต่พวงดอกไม้อย่างเดียวเท่านั้นพวงดอกไม้ทําด้วยแป้งก็ดีพวงดอกไม้ทําคล้ายลูกคลีก็ดีพวงดอกไม้ทําด้วยฟันสุนัข ทำด้วยไม้ไผ่ก็ว่าซึ่งท่านกล่าวไว้ในกุรุนทีก็ดีพวกพิจุก็ดีพวกภิกษุณีก็ดีจะทำเองก็ไม่ควรจะใช้ให้ทำก็ไม่ควรพระสิกขาบทเป็นสาธรณารณะบัญญัติแต่จะกล่าวถ้อยคำที่เป็นกัปปิยะมีการบูชาเป็นเครื่องหมายคือเป็นนิมิตสมควรทุกๆแห่งปริยายโอภาษนิมิตรกรรมสมควรทั้งนั้นแหลสมัยนี้ก็จะมีพวงดอกไม้ที่ทาด้วยสบู่นะ ก็คงจะสงเคราะห์ว่าไม่เหมาะสมไม่ควรเหมือนกันวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนอนมุทนาสาธุ